เรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าเราต้องอาบัตสังคาที่เศษสองตัวปิดไว้สองเดือนชไหนหนอเราพึงขอปริวาสสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนกับสงจึงขอปริวาสสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปริวาสสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนแก่เรา เมื่อเรานั้นกำลังอยู่ปริวาสคิดละอายใจฉะไหนหนอเราพึงขอปริวาสสองเดือนเพื่ออาบัตแม้นอกนี้ปิดไว้สองเดือนกับสงภิกษุนั้นได้บอกแกภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายกระผมต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนกระผมนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่า